คุณสมบัติของผู้เป็นโจทห้าอย่างท่านพระบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์คนอื่น พึงมณสิการคุณสมบัติภายในตนเท่าไรแล้วจึงโจ์ผู้อื่นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์คนอื่นพึงมณสิการคุณสมบัติภายในตนห้าอย่างแล้วจึงโจ์ผู้อื่นคือ 1. มีความการุ่น 2. มุ่งประโยชน์สามมีความเอ็นดูสี่มุ่งออกจากอาบัตห้ายึดวินัยไว้เป็นแนวทางอุบารีภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์คนอื่นพึงมณสิการคุณสมบัติภายในตนห้าอย่างเหล่านี้ก่อนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่น